นั่งตามถบายนะถ้าไหนไม่สบายของใครของเราแล้วก็ตอนนั้นพระก็ให้ดูส่วนเดียงกังวดดูดวงจิดตดวงใจของเราสร้างรวมระวังทำจะเข้าไปสัมผัสจิตใจของพกเราเมื่อเราจำได้ก็นำไปไปฏิบัต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 มาเจ็ดพะเจ็ตรงมีพระลากขวานพระลากขวนทั้งสองนี่ที่ <laughs> พวกเราเรียกว่ากระดูกให้ปลาล้วนท่านเรียกเป็นพระลากขวานพระลากขวานทั้งสองพระลากขวนทั้งสองแล้วก็พระเขี้ยวแก้วฟันนี่เรียกว่าพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวพระเขี้ยวแก้วซีน กพระศีอุณหิตที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงหนึ่งมันเป็นเป็นเป็น อ, องพระพุทธเจ้ามันจะมีพระอุณหิตเจ็บพระองค์จิตอง ค, องค์ไฟจะไม่สงหารไฟจะไม่ไหม้ตอนนี้อยู่กระจายไปถึงห้าพันพระวัดศาลห้าพันปีพระมรรมาธาตุจะมารวมกันเป็นองค์พระพุทธเจ้า ที่ประเทศศรีลังกาเทศโปรดศาต์อยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนในข้างนั่นทำไมนั่นเทศโปรดเอาได้เลยไม่ทราบว่าได้ถึงขั้นพระอรหนันต์ลือถองจืง่อไปถึงขั้นเลื่อมใสหรือเท่าไรเนี่ยท่านไม่ได้พรนนาไ ว, าว้ในข้างนั่นได้ ท่านปวดเอาสัตย์ได้ในข้างนั้นได้สี่อสงไขยสองล้านสามแสนหกสิบเอ็ดพันโกดแล้วพระเตโชธาติคำพิ้งว่าพระเตโชกับหมายถึงไฟแล้วพระเตโชธาตพระเตโชธาตาจะโพยพรุ่งโพชโชตนาการสังหารบวรพุทธสาลีลิกธาตให้สิ้นสุดในวันพุธ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 เมืองภัยสาลีสวัสดิ์เมืองกบินลพัฒมหาคนครเมืองงานละปะบุรีลมละบ้านพรามนิค ม, มเขตเมืองเทวทนประเทศเมืองปาวายภูรินเมืองกุศินารายพระแกศาโรมาณขาทันตาทั้งหลายเลี้ยงลายอยู่ทุกทิศทั่วจกวักรวาลฝ่ายพุทธบริขารคือบาตรจีวรท่อนผ้าสันทัพประคดในสมุกเหล็กไฟและกองเข็มผ้ากรองน้ำทรมกาลุกศิษยาซาดอกกระสุบส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 ท่านไววทุกสิ่งด้วยพระมหาการุณาฝังพระหไทยเพื่อจะให้เป็นที่ไหวเป็นที่สักการบูชาเกิดผลานิสงเป็นสบัสดีมงคลแก่แก่แก่ฝูงเทพพ ย, ายดาหรืมนุษย์จนขัวจะเชื่ทิศสุดพระพุทธศาสนาขั้นหล่วงการนานมาถึงห้าพันปีพระบรมธาติทั้งหลายนี้จะเสด็จไปสูส่ไปสู่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 ส่วนธรรมยมกพิหารนโปรดสับ์ปดสัตว์คนทับเทวานิชยอมรหรือสีสิทธิพยาธรจินนอนนาคลาชทั้งหมู่อาสุนเดระดาษนั่งแน่นเหนือแผ่นพื้นพระชูธา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 บริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์ปกติไม่มีโทษมันจะจุดจรู้ได้สิ่งที่ควรรู้ประโยคแรกก็คือทุ ก, กันละ่ะถ้าผู้ใดเห็นทุกมากมากผู้นั่นจ ะ, ะผู้นั่นจะพ้นทุกพระพุทธเจ้าและพระอริเจ้าทั้งหลายท่านเห็นทุกถ้าคิดเ ป, เป็นเปอร์เซ็นน่ะมันหลักล้านไปเน้อพอใมันจะเต็มทุกจะเต็มเหตุททุกเกิดก็เต็ม เมื่อมันดับลงไปสุกก็เต็มเหมือนกันนี่นมันเลยสุกไปอีกนี่ถ้าถ้ามันผ่านไปได้เพราะฉะนั้นจะทาวมม่าพวกเราเป็นคลาวาดญาติโยมจะปฏิบัติจะรู้ได้เห็นได้ไหมนี่ไม่ต้องสงสัยเลยต้องได้รับผลแน่นอนไม่มากก็น้อยสะสงไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ผ่านในสัปปจุบันนี้ก็ต่อไปสัปนาต่อไปต่อไปขุนจนเหมือนกับ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 จับตัวรูปหล่อมานางกุณธงเจสีก็เลยสนใจเพราะเขาคุมตัวผ่านถนนผ่านมาใกล้ๆบ้านตัวเองก็ไปเปิดหน้าต่างดูพอเปิดหน้าต่างไปดูพอ่พอไปเห็นไอจ้จวนรูปหล่อเนี่ยโอ้ไม่ได้ละที่นี่ถ้าไม่ได้ไอจ้จวนรูปหล่อมาเป็นสามีน่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับที่นี่ก็ที่นี่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 อาจนก็คือโจรมันไม่ได้ยินดีกับไอ้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในตระ ก, กูลของนางอกุงทนเกษีเศรษฐีเนี่ยจิตใจมันอยู่กับเพื่อนกับฝูงอยู่ในป่าในเขาสามัยนั้นขึ้นรี่กว่าโจรห้าร้อยแล้วก็าไปอยู่ในป่าในเขาคิดถึงเพื่อนมาอยู่กับนางกุงทนเกษีษนั้ไม่ทราบนานเท่าไหร่เดือนนี่เดือนนี่สองเดือนนี่เท่าไหร่นี่สามเดือน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 แล้ออของเนี่ยไปหาเพื่อนอ่านที่ป่าที่เขามันบอกว่าธรรมดาไปทำพีกรรมต้องเต็มแต่งตัวเต็มยศไปสเครื่องแต่งตัวมีเท่าไหร่เอาไปให้หมดไปสอพวกซ อ, องพวกแหวนพวกอะไรของอมีราคาไปแต่งตัวเต็มเรียบร่ให้เอาไปให้หมดสุด้ายตกลงกันได้ก็พักนกไปที่เนียวพวก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 ไม่จะฆ่าอย่างเดียวนี่สันไม่มาโอ้เอาเอาฉันฉันไม่กลับไปถ้าถ้าเขาตามมาเมื่อมาเจอเขาเขาก็จะเอะเขาก็จะมาอฆ่าเราอะอืมไม่ไม่ต้องต้อ ง, อ ง, อ ง, ไ, ง, ง, ไ, งไม่เอาไว้ต้องฆ่าแน่นอนยังไงยงไงก็ก็ไม่เอาไว้บ่ไม่ไม่เอาจะฆ่าอย่างเดียวโอ <c oughs> อาจนจะเอาจริงๆจังๆที่นกีก่นนางกรุงทนเกษีก็ว่าเออไหนๆนอาจนไม่ก็จะเล่น ง, งานเราจริงๆไม่จะฆ่าเราจริงๆก่อนจะตายสติปัญญาวิชาความรู้ที่เราไปเรียนมาเนี่ยเอามาใส่ให้หมให้ให้ใ ห, มหมดก่อน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 เหลือจะจะไปยังไงเนี่ยเพนพิจารณาเลยถ้ากลับบ้านถ้ากลับไปถ้าเขาถามว่า อ, อสามีเธอไปไหนจะตอบเขาว่าอย่างไรถ้าตอบว่าไปผักบนุนงเหียตายแล้วเพื่ออย่างน้อยเขาจะเอาเราีไปตีคุกติดตารางมากกว่านั้นเขาก็จะฆ่าเราเพื่อนจุดใจตัดสินใจไม่กลับบ้าน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 ทำอยู่อยู่ในป่านี่เขาเนี่ยเพราะเจอแล้วลกกับไปถามมาพวกท่านทั้งหลายทำอะไรนี่วะทีพวกข้าพเจ้าพากันปาพฤชษ์พรมาจารย์บำเพ็ญมารมีวะทบวชเป็นสี่พรอบวชเอนบวชเอาบวชเอาบวชเป็นฤๅษีปฏิบัติทราแล้วก็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 ไปไปไปเจอเด็กแชกันมันเล่นฝุ่นอยู่อยู่อยู่อันนั่นละพออ่พอเสร็จแล้วแล้วก็ท่านก็เลยสังพวกเด็กไว้ว่าถ้าใครมาทำอ่อ่ถ้าอันอันเวลาออเอ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 ก็ น, น, น, นี่มุนนะร๊ะปันนี้มันท้าสามหนึ่งไม่มีสองเยคืออะไรนั่นละนางกรุงนเกษศินได้สาเร็จเป็นพระอาหารหันต์โดยเสียพันธ์อันนี้มันมันอยู่ในพระตพไตรปิฎกแล้วใครจะสนใจไปดูรายละเอียดให้ไปให้ไปดูหนังสือพระไตรปิฎกนี่นั่นหมายถึงผู้ที่ได้กระทำบําเพลนมาเห็นไถ้าเป็นมะม่วง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 หมดทั้งโลกนี่แหละน้องปู่ว่าไม่มีของสี่อย่างนี่ที่นี่ที่พวกเรามองเห็นด้วยตาธรรมดามีตาหนามกับบินชวนไฟความร้อนมันก็เป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่เปนตนไฟลมก็เป็นนามธรรมเหมือนกันไม่มีตัวไม่เปนตนจิตใจของพวกเราก็เป็นนามธรรมเหมือนกันไม่มีตัวไม่เป็นส่ชวนที่เป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนสกุลและกายเนี่ยอันนี้เป็นก้อนธาตุต่างหากแล้วทีนี่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 ออถ้ามันมีกรรมโลกมันก็ไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นนะเป็นโลกนั้นโลกนี้ออเดกรรมทั้งนั้นกรรมทํามาจากเมื่อไรอดีตชาติเราเกิดมากี่ขั้งกี่หนกี่ชาติกี่พบแล้วไปทําอะไรไปบ้างไปฆ่าสัตว์กี่ตัวไปเบียดเบียนสัตว์กี่ตัวไปบียเบียนกี่คนไปฆ่าคนกี่คนมานี่ยมันเราจําไม่ได้เนี่ยอ่านทิงทิ้งนี่ถ้าจําได้มันจะเข็ดหลับตรงตอนที่มันไปตกนรกเหมือนกับ อ่าเพราะพุทธเจ้าท่านสบายดีอาชาตเป็นอันสมัยเป็นอันพระอ่าพร ะ, ะพระเตมีใบถ้าขึ้นจากโนรกมาใหม่ใหมพอเกิดขึ้นมาแหละเขาถามว่าเอ่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเลยเป็นเป็นชายเอ้ามันเกิดมาจากอะไตัวอะไรนเพิ่งขึ้นมาจากนรกใหม่ใหม่ที่นี่ทํายังไงเราจะเดินจะไม่ได้กลับไปเกิดอ้ากลับไปเกิดในเมืองนรกอีกลับไปนรกอีกกระเด็น คุณคิดอยู่เนั้นล่ะ้อนั้นเข้านั้นเข้าเป็นรอนถึงมารดาของท่านอยู่สวรรค์สั้นดูสิมารดาเลยลงลงมาบอกอท่านว่าถ้าท่านมาจากกลับไปตกนรกอีกให้ท่านทำตนเป็นใบทำทาตนเป็นคนรอยเปี้ยนั่นนั่นมันป้ามวิเ็ษหลาดดูได้เพราะฉะนั้นล่ะพวกรอถ้ามัน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 เพราะฉะนั้นละ่ะให้ทั้งความเข้าใจอ้อาสรุปมันมถ้าพวกเราทั้งหลายอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์ให้วางสุขในโลกอยากพ้นโุกเศร้าโศกาอะไรให้วางสุขในรักสุขทุกหนี้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 หลายหลายคนไปตกข้างี่ได้ดนึ่งอาศัยพวกเราเนี่ยอุทิพย์ให้ให้เขาผ่านพน้นอันตรายไปได้ให้ไปผูกไปเกิดกระเพาะ เ, เนี่ยบรรดุแล้วเอุทิพย์ไปให้มีดามันดาครูอุปบาสอาจารย์ญาติสนิทมีสหายเจ้า ก, กรรมนายเวนพระภูมิเจ้าที่แม่นางธรณีแม่นางคงคาพญามัจจุราชนายนิรบาลและเท่าจตุโลกบาลทั้งสีและสัปปะชัดทั้งหลายโดยรอบ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 สัพพิเตโยอิวัตสันตูสัพเปโลกโววิน า, าตโตมาเตพาวัฏวันตลระโยสุขีธีฆายุโกภวาอาภิวาธนาสีริสานิจังมุทาพจายีโนจัตตาโลธร ม, มาวัฏทันติอายุวันโนสุขังภะรัง